บางคราวธรรมะคือโลภะบ้างโทสะบ้างโมหะบ้างจึงครอบงำจิตตั้งอยู่ตรัสตอบว่าละธรรมภายในนั้นไม่ได้จึงเป็นเช่นนั้นถ้าละธรรมภายในนั้นได้ก็จะไม่ครองเรือนไม่บริโภคกามตรัสถึงอริยาสาวกและแม้พระองค์เองเมื่อก่อนตรัสสรู้